สนีวิทยุคราวกรา่าวสตรอเอฟเอ็มรยหกข้าพเจ้าพระมหาไพบณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศตั้แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นำมาฟังเรามาพบกันที่สานีวิทยุแห่งนี้ก็ไปให้ฟังสิ่งที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยอัตาก็มีโดยปยัญชนะก็มี เป็นเรื่องบางราวพระพริชเจ้าตรัสไว้ด้วยคำที่เป็นคาถาคำที่เป็นคํากลอนนั่นแหละคาถาในที่นี้ก็คือหมายถึงคําที่เป็นคํากราบเป็อนอย่างในภาษาไทยเรามีบทที่แต่งไว้เป็นกลอน8บ้างกลอน6บ้างโกลง4ี่สุภาพบ้างพวกนี้ลักษณะที่เป็นคํากลอนเนี่ยเขาเรียกว่าคาถาซึ่งในบางครั้งคาถานั้นก็มีความหมายที่ลึกซึ้ง ในบทขัมกรณต่างๆเหล่านี้ครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาในรุ่น ก, ก่อนๆท่านก็ได้ทําหน้าที่ของความเป็นสมณะในการทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความจแจ่มแจ้งคือนอกจากรักษาคําสอนเอามาบอกต่อให้ได้ยินได้ฟังกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ทําหน้าที่ของพระสงฆ์ทั้มดสองอย่างใน6อย่างคือการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็การทําสิ่งที่ได้ฟัง ให้มีความแจ่มแจ้งก็จะมีการอธิบายในเรื่องของคาที่เป็นตัวบทเป็นคาร้อยกรองเป็นกาบกรพวกเนี้ยที่เป็นพุทธพจน์เอามาอธิบายให้คนรุ่นหลังได้ยินได้ฟังกันสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เป็นประชาำตั้มฟังคือเรื่องของจิตเรื่องของใจว่าจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นตัวที่จะสั่งกายสั่งวาจา ในการที่จะควบคุมกายควบคุมวาจาให้เป็นไปอย่างนี้หรืออย่างนั้นให้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมขึ้นมาได้ใครว่ากายสําคัญใครว่าวาจาสําคัญใจเนี่ยสาคัญยิ่งกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเรื่องของความสําคัญของใจโดยได้กล่าวคําที่เป็นคาถาที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้ล่ละพระพเจ้าจะนําเรื่องของเด็กชายคนหนึ่ง ที่ามีจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งไว้เป็นพุทธานุสติหลังจากตายไปได้ไปสู่เทวโลกเป็นเทวดาเรื่องราวนี้ก็ค่อนข้างดราม่าอีกตั้งมาฟังเพราะว่าแหมกว่าที่เขาจะตายได้เนี่ยพ่อเขานี่ก็ขี้เหนียวเหลือเกินชื่อของพ่อก็เป็นพราหมณ์ที่ชื่อว่าอธินนะบุปกะคือพราหมณ์ที่ไม่เคยให้อะไรใครเลย เรามาฟังเรื่องราวของเด็กชายที่เกิดในครอบครัวของปรามคนนี้เด็กชายคนนี้เขาชื่อว่านายต้มหูเกลี้ยงพูดภาษาบาลีก็คือมัตตากุนตลีเรื่องนี้จะมาจบด้วยความเข้าใจในเรื่องของใจได้อย่างไรต่มาฟังลองมาฟังกันดูดางได้สดับมาในกรุงสาวัตถีมีปรามคนหนึ่งชื่ออทินนะบุ ป, ปกะ เขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรๆแก่ไกลๆเพราะฉะนั้นประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อขาวว่าอทินนะบุพกะเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักใคร่พอใจภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุตรจึงคิดว่าถ้าเราจะช่างช่างทองก็จะต้องให้ค่ากำเน็ดดังนี้แล้ว จึงแผ่ทองคำทำให้เป็นต้มหูกลิ่งเกลียงเสร็จแล้วได้ให้แก่บุตรของตนเพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชื่อว่ามัณฑ ก, กุนทลีในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้ส6กปีเกิดเป็นโรคหอมเหลืองมารดาแลดูบุตรแล้วจึงพูดกับปาม ผู้สามีว่าพราหมโรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่านขอท่านจงหาหมอมารักษาเขาเสียเถิดพราหมจึงตอบว่านางผู้เจริญถ้าเราจะหาหมอมาเราก็จะต้องให้ค่าขวัญข้าวแก่เขาหล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างเลยนางปรมณีจึงถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านจะทำอย่างไรเล่าพรามพรามนั้นจึงตอบว่าทรัพย์ของเราจะไม่สิ้นเปลืองไปได้อย่างไรเราจะทำอย่างนั้นพรามนั้นจึงไปยังสำนักของพวกหมอแล้วถามว่าพวกท่านวางยาขนาดไหนแก่คนที่เป็นโรคชนิดโน้นลาดับนั้นพวกหมอก็บอกยากเกรดที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้น แกเขาเขาไปเอาเปลือกไม้เป็นต้นที่พวกหมอบอกให้นั้นมาแล้วทำยาให้แก่บุตรเมื่อปรามทาอยู่เช่นนั้นนั่นแลโรคได้กาเริบกล้าขึ้นแล้วจนเข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยี่ยวยาได้ปรามรู้ว่าบุตรทู้พลภาพแล้วจึงหาหมอมาคนหนึ่งหมอนั้นมาตรวจดูแล้ว จึงพูดเลี่ยงว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วก็บอกเลิกกับปรามนั้นแล้วก็ลาไปปามรู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้วคิดว่าเหล่าชนที่มาแล้วมาแล้วเพื่อต้องการจะเยี่ยมเยียนบุตรนี้จะเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนของเรา เราจะเอาเขาไว้ข้างนอกนานนี้แล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกตอนพระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัทฐากุนตรีในเวลากำลังปัจจุสมัยคือเวลาจวนสว่างเดนวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ ทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธศักสุเพื่อทาดพประเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้ซึ่งมีกุศลอันหนานั่นแล้วมีความปรารถนาซึ่งได้ทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายได้ทรงแผ่คายคือประยานไปในหมื่นจักรวาลมรรค กุนตลีมานพปรากฏแล้วนะภายในค่ายคือพระยาอ น, นั้นโดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงทราบว่าปรามผู้เป็นบิดานำเขาออกจากภายในเรือนแล้วให้นอนในที่นั้นทรงดำริว่าจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอ ด้วยปัจจัยที่เราไปในที่นั้นเมื่อกําลังทรงรำพึงอยู่ได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่ามานพนี้จะทำจิตให้เลื่อมใสในเราทำกาละแล้วจะเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในดาวดึงเทวโลกมีนางอับส้อนเป็นบริวารพันหนึ่งฝ่ายพราหมณ์จะทำชาปนกิจสรีระนั้น ร้องไห้ไปในป่าช้าเทพบุตรจะมองดูอัตภาพตนสูงประมาณสข่าวุธคือ300เส้นประดับด้วยเครื่องอลังการที่ใช้กเกวียนห0สเล่มบรรทุกมีนางอับสอนเป็นบริวารพันหนึ่งคิดว่าสิริสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรน้อแลหนังนี้แล้ว เล็งดูอยู่ก็ทราบว่าได้ด้วยจิตเลื่อมใสในเราคิดว่าบิดาไม่ให้หมอประกอบยากแก่เราเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปเดี๋ยวนี้ไปป่าช้าร้องไห้อยู่เราจะทำเขาให้ถึงประการอันแปลกหนังนี้และด้วยความขัดเคลื่องในบิดาจะจำแรงตัวเหมือนมัทธะกุลตรีมานพมานั่งร้องไห้ อยู่ที่ใกล้ป่าช้าที่นั้นพราหมณ์จะถามว่าเป็นใครเขาก็จะตอบว่าเป็นมัทธกุนตลีพราหมณ์ก็จะถามว่าเธอไปเกิดในที่ไหนเทพบุตรก็จะตอบว่าในภพดาวดึงเมื่อพราหม์ถามว่าพราะรำกรรมอะไรเขาก็จะบอกว่าเกิดพระจิตเลื่อมใสในเราพราหมณ์ก็จะถามว่า ขึ้นชื่อว่าความทำจิตให้เลื่อมใสในวโรงเท่านั้นและไปเกิดในสวรรค์มีอย่างนั้นหรือที่นั้นเราก็จะตอบว่าไม่มีใครอาจจะกำหนดด้วยการนับได้ว่ามีประมาณเท่านั้นร้อยหรือเท่านั้นพันหรือเท่านั้นแสนดังนี้แล้วเราจะแสดงภาสิทธิ์คาถาในธรรมบทในการจบคาถา ความตรัสรู้ธรรมจะมีแก่สัตว์ประมาณ 8,000 มืพันมรคกุณฑลีเทพบุตรจะเป็นพระโสดาบันถึงอถิณะปุปกาปรามก็เหมือนกันอาศัยกุลบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจะมีด้วยประการชนีดดังนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบดังนี้แล้ว ในวันรุ่งขึ้นทรงทำความปฏิบัติชำระประสติระเสร็จแล้วมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงหกสาวัตเพื่อบินาบาตเสด็จถึงประตูเรือนของปรามโดยลำดับในขณะนั้นเมตถั ก, กุณฑลีมานพกำลังนอนผิดหน้าไปข้างในเรือน าศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานอบคิดว่านี้แสงสว่างอะไรจึงได้นอนพลิกกลับมาเขาเห็นพระาศาสดาแล้วจึงคิดว่าวก็เราอาศัยบิดาเป็นอันตพานจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นป่านนี้แล้วทําความขวนขวายด้วยกาย หรือถวายทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มีหนังนี้แล้วเขาก็ได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสพระาศาสดาดำริว่าพอละด้วยการที่มานบนี้ทำใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านี้แล้วก็เสด็จหลิกไป เมื่อพระตาคตพอกำลังเสด็จลับตาไปมานบนั้นมีใจเลื่อมใสทำกาละคือตายแล้วเป็นประดุดดังว่าหลับแล้วกลับตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูงสามสิบโยตในเทวโลกฝ่ายพราหมณ์ทำชาปนากิจสตีระของมานบนั้นแล้ว ได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบื้องหน้าไปที่ป่าชา้าทุกวันทุกวันร้องไห้พลางบนพลางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ไหนแม้เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแล้วก็คิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรก็เมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่า ได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระสัสดา ห, หนังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าพรามผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายหาได้ให้หมอประกอบยาไม่เดี๋ยวนี้สิไปป่าช้าร้องไห้อยู่ควรที่เราจะทำแกให้ถึงประการอันแปลกหนังนี้แล้วก็จำแรงตัวเหมือนมัตต์กุณตลีมานบมาแล้ว ได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าช้าพร์เห็นเ่าแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนก็มานบนั่นร้องไห้ต้องการอะไรเราจะถามเขาดูดังนี้แล้วพร์นั้นเมื่อจะถามจึงได้กล่าวกาถานี้ว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัสตากุนทลีมีภาระ คือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสอ ง, งกล่บครวนอยู่ในกลางป่าช้าท่านเป็นทุกอะไรรึอมานพนั้นจึงได้กล่าวตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าเรือนรถที่ทำด้วยทองคำอันผุดพองเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้า จะเสียชีวิตเพราะความทุกนั้นที่นั้นพรามก็ได้พูดกับเขาด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าพ่อมานพูชเจริญคู่ล้อของมันนั้นจะทำด้วยทองรำรก็ตามทำด้วยแก้วก็ตามทำด้วยโลหะก็ตามทำด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกข้าพาเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมันมาน์ ได้ฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าพราหมผูน้นี้ไม่ทํายาให้แก่บุตรแล้วครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องไห้อยู่อย่างพูดว่าจะทําล้อรถซึ่งทําด้วยทองคําเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งแกเล่นหนังนี้แล้วเทพบุตรจึงได้กล่าวว่าก็ท่านจะทําคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้า โตเท่าไรเมื่อบรามณ์นั้นกล่าวว่าท่านจะต้องการโตเท่าไรเล่ามาย์ น, นั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงท่านอันข้าพเจ้าขอแล้วโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพ เ, าเจ้าเถิดมานพนั้นก็ได้กล่าวช้ำในคาถาที่สองอีกว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ซองแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทําด้วยทองคำย่อมงามสมกับคู่ล้ออันนั้นลำดับนั้นพราามจึงได้ตอบเขาอย่างนี้ว่าพ่อมาณพท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนกล่าแท้ๆข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านจะตายเสียเปล่าจะไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลยเริ่มบนั้นแม่นพึงพูดกับพรามนั้นว่าก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่ ง, งปรากฏอยู่เป็นคนเคลาหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเขลากันแน่เล่าดังนี้แล้ว จึได้กล่าวคำที่เป็นคาถากับพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าแม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ธาตุคือวรนนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนชนที่ทํากาละละไปแล้วใครก็ไม่แหลเห็นบรรดาเราทั้งสอง ผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนกล่าวกว่ากันเมื่อปรามได้สดับคำนั้นแล้วกําหนดได้ว่ามานพนี้พูดถูกจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถากับมานพนั้นว่าพ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพระเจ้าเองเป็นคนกล่าวกว่า ข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทากาละแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์เดืนนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยค่ของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพจึงได้กล่าวกาถาเหล่านี้ว่าท่านมารดข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุรุษดับไฟ ที่ติดน้ามันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมย่างความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าผู้อันความโศกรอบงาแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดฮฤทัยข้าพเจ้าออกได้เนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศร อ, อันท่านถอนเสียแล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมานพข้าพระเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านขณะ น, น, นั้นพร์มเมื่อจะถามเ่าว่าท่านชื่ออะไรจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นเท้าปุรินทะสัง ก, กเทวราชท่านชื่ออะไร หรือเป็นบุตรของใครข้าพเจ้ารู้จักท่านได้อย่างไรลำดับนั้นมานพจึงได้บอกกับปรามนั้นว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้วย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าผู้ทากุศลธรรมแล้วถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศคือเทพยาดา รามเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วจึงได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าเมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรื่องของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นอยู่ข้าพเจ้าไม่เห็นท่านไปเทยวโลกได้เพราะกรรมอะไรมนุษย์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีโรคเป็นทุกข์เจ็บป่วยมีกายระสัมระสาย อยู่ในเรืองของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามความสงสัยเสียได้เสด็จไปดีมีพระปัญญาไม่สามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีในพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้ว จึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศคือเทพยาดาเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเดียวสรีระทั้งสิ้นของพรามก็เต็มแล้วด้วยปีติเขาเมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงได้กล่าวว่าหน้าสจันหนาหน้าประหลาดหนาวิบากของการธรมรมเชลีนี้ เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิ่อบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสาสนะในวันนี้แลลา ด, ดับนั้นแม้นมจึงได้กล่าวตอบกับพระรามนั้นว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสาสนะ ในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมาทานศิกาบทห้าอย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์จงเว้นของที่เจ้าของอยังไม่ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยปริยาของตน พรามนั้นจึงรับคำว่าดีแล้วและพรามนั้นจึงได้พาสิทิคาถานี้ว่ายักษ์ท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเทพยดาท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคาของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสนาด้วย ข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสาสนด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมนุษย์พิเศษดุจเทพยาดาว่าเป็นสาสนะด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตเว้นของที่เจ้าของอย่างไม่ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปด และเป็นผู้เต็มใจด้วยปริยาของตนลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับพรามนั้นว่าพรามทรัพในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหาดังนี้แล้วเทพบุตรนั้นก็อันตรทานไปนะที่นั้นนั่นแหละ ตอนพระามถวายทานแด่พระพุทธเจ้าฝ่ายพระามไปเรือนแล้วเรียกนางปรามณีมาแล้วพูดว่านางผู้เจริญฉันจะนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลถามปัญหาหลอนจงทำเตรียมเครื่องสักการะนางนี้แล้วก็ได้เข้าไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลย ไม่ทำปฏิสันฐานยืนนะที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบตูดว่าท่านพระโสดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระศาสดาทรงรับแล้วเขาได้ทราบว่าพระศาสดาทรงรับแล้วจึงรีบกลับมา ใช้คนให้ตกแต่งคาติยะโพชนิยาหารไว้ในเรือนของตนพระศาสดามีหมู่ภิกสุสง์แวดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนของปรามนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พรามอังคาดคือเลี้ยงแล้วด้วยเคารพมหาชนประชุมกันได้ยินว่าเมื่อประตาคต อันปรามผู้มิจฉาทิฐินิมนต์แล้วมูชนสองพวกมาประชุมกันคือพวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฐิประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสัมมาโคดมที่ถูกปรามเบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาส่วนพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฐิก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่า วันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลาลาดับนั้นพรามจึงเข้าไปเฝ้าพระ ต, ตาคตผู้ทรงธ ร, รมพัฒกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าท่านพระกดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ ไม่ได้ฟังธทมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยศักว่าทําใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าพรามเหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทําใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัทธกุณฑลีผู้บุตรของท่าน บอกแกท่านลามไม่ใช่หรือปรามจึงถามว่านั่นเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือท่านพระกดมผู้เจริญพระศาสดาจึงตอบว่าก็วันนี้ท่านไปป่าช้าร่ำกรวญอยู่เห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนร่ำกรวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมันถตากุนทลีมีภาระ คือระเบียบด อ, อกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมีใช่หรือและเมื่อจะท่งประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัทธะกุนตลีทั้งหมดพระฉะนั้นแลเรื่องมัทธะกุนตลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาสิทธ์ก็แล กรันพระตถ า, าคตตรัสเล่าเรื่องมัทธะกุณฑลีนั้นแล้วจึงตรัสว่าพรามเราสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและ200โดยที่แท้เราสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์มีจำนวนนับไม่ได้ มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้วลำดับนั้นพระศ า, ศ, าศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสยัยได้ทรงอธิฐานว่าขอมัตากุณฑลีเทวบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวมัตากุณฑลีมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาพรทิพย สูงประมาณสามข่าวุธมาแล้วลงมาจากวิมานถวายบังคมพระาศาสดาแล้วได้ยืนนะที่ขวรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาเมื่อจะตรัสถามเตอว่าท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้จึงได้ตรัสรักฐานนี้ว่าเทวดาท่านมีกายงามยิ่งนัก ยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาประจำรุ่งเทวดาเราขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เทพบุตรนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์พระศาสดาจึงตรัสว่า สมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราอย่างนั้นหรือเทวดาจึงกราบตูนว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระโชคลาภาาชนแลดูเทพประบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแม่พ่อพุทธคุณน่าสจันจริงเนาะบุตรของอัทินนะบุปกาปพรามไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่น ยังใจให้เลื่อมใสพระาศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นป่านนี้ตอนใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างลําดับนั้นพระาศาสดากระแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเป็นสภาพถึงก่อนใจเป็นใหญ่ เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลกดุดเงาฉะนั้นรันตรัสเรื่องนี้แล้วทรงเป็นธรรมราชาประพระคถานี้สืบอนุสนติประดุดพระราชาประทับพระราชสารซึ่งมีดินเหนียว ประจำไว้ด้วยพระราชฎลันจกอนดังนี้ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นบาลีว่า มโนบุพังข้ามาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมยามนาาัสาเจประสันเนนะภาสติวากระโรติวาตะโตนังสุขมะเนวติชายาวะอนุปายินีดังนี้ในการจบกถาความตรัสรู้ธรรม ได้มีแล้วแกเลาสัตว์แปดหมืนสี่พันมัฏะกุณฑลีเทพบุตรตั้งอยู่แลในโสดาปฏิพลอทินนะบุปกาพรามก็เหมือนกันเขาได้วานสมบัติมากขนาดนั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วแหละเรื่องมัฏะกุณฑลีจบให้เรารักษาใจของเราท่านบุฟัง ให้เรารักษาใจของเรารักษาใจของเราด้วยการตั้งสติไว้อยู่ฌานาสติที่เราตั้งขึ้นไว้ด้วยการใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลหมหายใจก็ตามไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมหรือระลึกถึงพระสงฆ์ก็ตามการที่เรารักษาจิตของเราด้วยสติ อย่างที่เด็กชายมัธัมกุนตลีเขาเป็นอยู่นี่ลหละก็จะสามารถทำความสุขที่เกษมให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้กายของเราจะควบคุมได้ตาของเราจะควบคุมได้หูจมูกลิ้นกายและใจของเราควบคุมได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนั่นเองห้เราฝึกสติให้ดีตะมุหวังสติที่เราตั้งขึ้นไวน้แล้วนี้จะรักษาจิตของเราได้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญ พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร